สาธนาแต่ละศาสนาเป็นของดีอยู่แต่ว่าดีขนาดไหนดีในโลกีหรือโลกุตละมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละรายของบุคคลจะเลือกเอาแต่ขอให้เข้าใจว่าพระบรมศาสาาดารับรองอยังไงบ้างในมหาปริญพานพูดยังไงบ้า สุภัทะผู้บวชในวันนั้นกราบทูลพระบรมศาสดาว่านักที่อื่นๆ น, นอกจากพระพุทธศาสนาถ้าเขาไม่ประมาทยัญยกวิธีของเขาเขาจะถึงสุภเจปโนโชุยายะสามีบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะ ย่าเลยยาเลยยาเลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมะเพราะศาสนาอื่นหนักไปในทางวัตถุนยิยมไม่ได้หนัก ไ, ไม่ได้หนักไปนางทางอุรมณ์ติสุปัชปโนก็ดีอุชโยยะสามีก็ดีก็มีแต่ในาศาสนาพุทธเท่านั้นเองเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเหตุฉะนั้นเราจึงเคารพธรรมพระบรมศาสนา มีก็มีในศาสนาพุทธเท่านั้นทุกยุคทุกสมัยของโลกทุกการทุกเวลาของโลกถ้าเรามามองดูให้ชัดภาษาดีบุตรมาจากไหนพโมคลามาจากไหนเป็นนิกายอะไรเป็นลูกศิศธษ์ของ สนชัยนาตบุตรมาเลื่อมใสภาษาดิบุตรภาษาริบุตรแสดงทำให้ฟังอย่างย่อๆด้วยอนิจจตายังกินิส ม, มุททะธรร ม, มังทรัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับสูญเป็นธรรมดาโดยใจความก็คือหัวใจธรรมาจักกัปตนะสูตร ท่านนั้นฟังแล้วก็สำเร็จพระโสดาบันในเวลานั้นมาเล่าให้โมกขลาฟังอกีกพระโมกขลาซึ่งเป็นสหายกันมาแต่พุกกนกมาตั้งแต่ชาติพระเจ้าขั้งอนมุมัตศรีซึ่งเป็นสหายกันมาก็ได้สำเร็จพระโสดาบันนั่นนันนั่ น, น, น, น, นหัวใจของพระพุทธศาสนา ก็คือคือธรรมจักกะพวัตนสูตรธรรมจักกะพวัตนสูตรมันก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวแล้วในสมัยพระบรมศาสดาแสดงธรรมจักกะพวัตนสูตรนั้นปาราเชษีสังคาทิเศษทีสามอนิยตสองนิตคีายตีสามสี่ปายจตีิบสองปายจตีสีส่สสี่เสศีวัดยี่สิบห้ายังไม่มีเลยเพราะมันมีอยู่ในตัวแล้ว เพระท่านแสดงอัถถังคิโกมัคโคเสยยะทิทางนี่อย่างไรส ม, มาทิติส ม, มาทิติของพระโสดาบันส ม, มาทิติของพระรัตคาคามีสั ม, มาทิติของพระอนาคามีสมมาทิติของพระอรหันต์เรียนส ม, มาทิติจบแล้วส ม, มาทิติของพระโสดาบันเป็นพรหมจรรย์รเบื้องต้นมีทั้งศีลสิกขา สิกขาอาทิศินสิกขาสิกขาคือศินยิ่งอธิจิตตะสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งยิ่งของพระสวดาวันยิ่งของพระสักคาคามียิ่งของพระอนาคามียิ่งพลัของพระอรหันต์ยิ่งจบกิจพระพุทธศาสนาแล้วพุทธาสีจำพวกส ม, มาสามพุทธะจำพวกหนึ่งบัจเจกพุทธะจำพวกที่สอง สาวกสาวิกาพุทธะจำพวกที่สามบางท่านก็บอกว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ธรรมโอสองใจซึ่งผู้รู้ละบาบปบาเพ็ญบุญสังโฆปฏิบัติผู้รู้ละบาบปบาเพ็ญบุญถ้าไม่มีต่ามีสูงมันก็ไม่ถูกสาวกจะรู้สักเพียงไหนก็าตามก็เป็นสาวโกพุทโธสาวิกาจะรู้ สักเพียงไหนก็าตามก็เป็นสาวิกาพุทธาจะว่าสัมมาสัมพุทโธหรือปฏิเจตสพุทโธไม่เป็นเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นปราศัยกตนเทียมท่านต้องแยกพุทโธออกเป็นสีประเภทจึงไม่ก้าวไกลาบางท่านก็บอกว่าภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแปลผู้รู้ระบาบามเพริญบุญธรรมโมทรงไม่ซึ่งระบาบามเพริบุญสังโฆปฏิบัติเพื่อระบาบังเพริญบุญแล้วไม่อธิบายเราก็ฟังไม่ถนัด ละทีนี่มีอะไรก็พูดกันไปอีกสะก่อนเหนือกว่าเวลาจะมีน้อยที่ศาสนาพุทธมีบริบูรณ์ทางมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติคืออะไรพูดย่อๆก็คือเวนอบายมุขถ้าไม่เวทอบายมุกก็เป็นมนุษย์วิบัติ ที่ฏิบัติทั้งเล่มเป็นภูมิของพระโสดาบันทั้งนั้นพระมรดกเบื้องต้นของพุทธศาสนาพระบรมศาสน า, ษา ท, ร ท, รทรงส่งเสริมสุปฏิปันโนเป็นต้นไปคราวไปอยู่ภูเก็บพังงาก็องคหลวงปู่เหลียนหลวงปู่เทศไปเที่ยววิเวกลาวัยเขามาถาม พระสี่ห้าองค์รุมมาถามเรานั่งอยู่คนเดียวอยู่ที่ริมทะเลเขามาถามพระนักเรียนทั้งนั้นท่านอาจารย์ท่านอาจารย์สมัยอันเร า, เร า, เ, ราเราอยู่ในระหว่างสี่อายุสี่สิบสี่สิบกว่าระหว่างแล้วก็หนุ่มกว่านี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ธรรมยุศกับมหานิกายใครดีขอให้ตอบมาโดยโดย่วนพวกนักเรียน เออเพราว่าเรามาศาสดาไม่ได้ทรงสั่งสอนว่ามหานิกายหรือธรรมยุทธเป็นสาวกของพวกเราสุปัจจพโนชโยยายะสาวนีเอสาวกกวมโตเศร้าสร้างโคนี้เน้อสาวกของพระบรมมีพระเก้าท่านมานิยมว่าธรรมยุทธ์หรือมหานิกายเป็นสาวกของท่านพวกนั้นก็เลยหมดเสียงเออถ้าพูดอย่างนี้ก็น่าฟังมากไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพวกนั้น แดีวถ้ามีพว ก, พวกามีเขาถามพวกเราก็ต้อง ต, ตอบอย่างนั้นเนาอไม่บอกว่าสายนั่นสายนี่เป็นสาวของเราบอกว่าสุปฏิปโนพระ ก, กวโตสร้างัสร้างโคอุชุปฏิปโนพร ก, กวโตสร้างอัสร้างโค ยายรพ ร, ร, ะาาระจน์พโนพะปะตเร้าสรงโคเามีจิตพจน์โนะตวเศร้าสรงโคยตีทางนี้คือใครจัตตาริผู้แห่งวรรดสีอัถาปุริสาผู้คาราวรรดบุคคลแปเอสาพะปะตวเศร้สารรสรงโคนี้เนอสาวผของพระภุมีพระเจ้าท่านรับรองเท่านี้ไม่ได้รับรองไปอีกเราก็พูดอย่างนี้มดเสียงพวกนั้นก็ดีทีนี้มีปัญหาสอดเข้ามาอีกว่าทำไมจึงมีโลคิยะ และโลคุตระมาปนไปกับพระพุทธศาสนาอนาวปัญหานักธรรมเอกผูกขึ้นเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้ว่าเพราะเหตุว่าเอาคำสอนชาติคดา้าอื่นมาปนไปกับคำสอนพระพุทธศาสนาของเราก็เลยมีทั้งโลกีและโลคุตระปนเปกันอยู่ในพมมชารสูตร ตรูที่เป็นตาขายรับรองแล้วพระมันญย์เบื้องต้นของพุทธศาสนาก็มีแต่ทุบชันโนเป็นต้นไปปัญธิตโตคามาวสังบัณทิตเป็นผู้ครองเรือนคือยังไงก็คือพระสวดาวันเราดีดีนี่เองนั่น น, น, น, นัพระสวดาวันไม่เสียดายอยากร่วงระเบิดเส้นห้าไม่เสียดายอยากเล่นอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสดาอื่น อัญญสัตวุเทศไม่ถือศาสดาอื่นชัจาพิษฐานานิอภพโอกาตุงอิดัมปิสั่งเทระนังปณีตังเอเนตเนสเจนสุวัติโหตุพระโสดาบันไม่ยอมถือศาสดาอื่นนะักหนะักอ น, นันตริยกรรมห้าพวกเราเคยได้ยินแต่อ น, นันตรยกรรมห้าอันนั้นตรีกรรมหกก็มีมาทุกข่าฆ่ามารดา วิตุข้าฆ่าบิดาอรหัตตค่าฆ่าพราหันโลหิตบา ท, ทำลายพระพุทธเจ้ายังโผ ล, ล่ยหงไรข้อขึ้นไปสังฆเทอยังสองในแตกจากกันอันนี้สัตพุเทศถือศาสดาเอื่นเพิ่มเข้าอีกเป็นอนันตเรก ร, รมหกมันมีในทมหมวดหกทำหมวดนี่มันอยู่ในจักนาเป็น ธรรมะของนักคำโทชะจามีในพระสูตรอีกรักตนสูตรชะจาพิฐานานิอภพปวกาตุงอิตัมปีสังเกรัตนังมนีตังเอเตนัสเจตสุวติหัวตัวเป็นรัตนะอันประเนีตของผสมท่านไม่ยอมถือสาตร า, าอื่นอ้าปัญหานักธรรมเอกถามขึ้นอีกฉะไหนาดาดาหมกดาบทรามบุตรจึงไม่สาเร็จระโวดาบัน เพราะภาวนาถึงในวสัญญานาสัญญาญาตนะแลว้วขอตอบว่าเพราะไม่ยอมตัวถึงไตรสนธิคมเพราะในเวลานั้นไตรสนธิคมยังไม่ทันเกิดมีท่านก็ยังไม่ทราบเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาทัศสุ่มใหม่จึงจะไปเทศเอาท่านเพราะเห็นท่านเป็นครูของท่านในเมื่อเวลาที่ท่านไปเรียนอยู่กับอะไดาวบอุจกาดาวบด ถ้าหากว่าได้ฟังเทศแล้วท่านก็จะได้สำเร็จพระสวดาวันแต่มันมะมานมานคือมันนะให้ท่านตายไปก่อนซะเก็บันแล้วเสียดายหนอเสียดายหนอแปดมื่นสี่พันกับปานิสงอ น, นั้นยังเป็นโลกียอยู่หนักนักนักออกจากนั้นจะไปหาพวก บันจวกทีน่าสงสารชาวโลกว่าจะปกครองกันด้วยวิธีไหนน่าสงสารจริงๆน่าสงสารพวกคารวาตแต่ฝ่ายพระไม่สงสัยดอกทำเป็นโลกกบาลคุ้มครองโลกสองอย่าง ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะกุ้มครองโรคได้ถ้าไม่มีอยางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกดหมู่กดพักกดพวกก็ตั้งไม่อยู่อูของทําไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทําความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับถ้าล่วงละเมิดไม่มีอยางอายต่อบาปแล้วสินหามันก็ตั้งไม่อยู่ก็มันล่วงไปจากนี่แล้ว นั่นทำเม็โล ก, กบาลคุ้งครองโลคสองอย่างพระบรมศาสด า, ศาที่บอกว่าไม่ให้พระภิกษุเป็นการว่านเป็นการเมืองว่าอย่าภิกษุไม่สอนว่าสอนเมืองจะไปสอนผี ต, ตัวไหนนั่นะเราไม่ลงตอนนี้ไม่ลงจนวันตายคําสอนพระพุทธศาสนามสอนโลกพอแล้วสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วสอนสวรรค์สมสมบัติก็เต็มภูมิแล้ว สอนพรมสมบัติก็เต็มภูมิแล้วสอนนานสมบัติก็เต็มภูมิแล้วจริงว่าสักขังสัพยัญชนะนางเกวรารรภานานรณีพนังปฏิสุทธิ์ทางพรมวจายางปกาเสสิบริบูรณ์ทังอัฐทั้งพยัญชนะแล้วตามมหาภควันตังอิปุติามีตามหาาตา ม, ตามหาภค ว, วานตังศินสารนามามจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้ด้วยงยงยนั่นนั่นนั่น คบคำสอนพระพุทธศาสนาไม่แตกกล่าวตู่พระพุทธศาสนานั่นนั่นจะไปหาการปกครองที่ไหนมาอีกก็พระบรมศาสด า, า, า, าสอนไว้แล้วบันทิตโตคฆราวาสังบันทิตเป็นผู้ครองเรือนบันทิตเป็นผู้ครองเรือนข้าพุทธกาลเป็นพระสวัสดิบันเป็นส่วนมากคนที่ควรเชื่อได้ว่าเพื่อขึ้นได้ทํมสามอย่างสองอย่างในนิยต ก็คือพระสวัสดิวันเราดีนี่เองตระกูลอันที่เป็นเสขามาบริโภต้องปฏิเสธเสนียก็คือตระกูลพระสวัสดิวันเราดีดนี่เองนั่นนันพระเจ้าพีมพิสารปกครองด้วยอำนาจสิทธิขาดทรงพระนามว่าราชามาคโทแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมากดท่านทรงตั้งกฎหมายเอาเองท่านก็เอาหลักเอาหลักของเสียหะมาตั้งเพราะท่านเป็นพระสวัสดิวันแล้ว มีปัญหาศาลเข้ามาว่าเขาฆ่าพระโมกขลาโจรห้าร้อยฆ่าพระโมกขณาพระเจ้าพิมพิสารไปฆ่าโจรเองพระเจ้าพิมพิสารไม่ผิดสินธรรมของท่านหรือเพราะท่านถึงพระสวสดา์มาเนี่ยพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ฆ่ากฎหมายฆ่าเองเพราะกฎหมายเขาตั้งไว้ก่อนแล้วนัก เพราะเหตุที่ฆ่าพระรหันต์มันบาปมากมันเป็นครุกรรมกำหนักมันเขาก็ให้ผลทันตาหนักนกก็ท่านผู้นั้นท่านพวกนั้นฆ่าตนเองเพราะพระรหันต์มันมีพิษมีฤทธิ์มีเดชไปฆ่าพระรหันต์เห็นผลทันตาเรียกว่าครุกรรมกำหนักให้ผลทันตาถ้าแผ่นดินไม่สูบก็ต้องถูกฆ่าตาย พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาสอนโลกทุกยุคทุกสมัยกฎหมายกัดหมูกัดพักกัดพวกถ้าไม่มองดูพระพุทธศาสนาเนี่ยตั้งไปมันก็เหลืองเจื้องนักนักนักนักนักเอา้าพวกที่เขาถือว่าไม่มีมนุษย์บาปเข้าไปได้ไหมนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ทิตที่ใจของพวกเรานี่เองนั่นนั่น กรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมกับผู้เชื่อพระพุทธศาสนาก็มีความหมายอันเดียวกันนักนันัผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมกับผู้ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาก็มีมีความหมายอันเดียวกันทําไมจึงมีผู้เครพนับถือพระพุทธศาสนาน้อยนักเราไม่วตกหรือตอบมาสิตอบว่า พระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นฐานะของผู้บาดามีต่ําต้อยจะมาเลื่อมใสนับถือผู้มีตาดีจึงสามารถสนเข็มได้ผู้ตาบอดตาฟางไม่สามารถจะสนเข็มได้ชั้นใดผู้ไม่เคารพพระพุทธศาสนาก็ชั้นนั้นเอาละทีนี่มีเรื่องอื่นก็พูดการปอีกสว่างกระจ่างใจมนุนอะไรที่นี่ถูกไหม เพราะมีนักเรียนแล้วก็พูดไปตามแถวนักเรียนบ้างต่างรักทิฏฐินักเรียนบ้างเอ้าทีนี่จะทำอะไรก็ทำซะนี่มองเห็นอันนี้จะว่าจะว่านักเรียนโตไม่ใช่เน้อเออมองเห็นดําำจะว่านักเรียนโตไม่ใช่เน้อ ไม่ใช่นักเรงนักเรงปฏิบัติเพื่ออยากออกจากกองทุกขในวตสาสงสารอ่ากันสุกกันสุกกันสุก ธรรมวัดพระนิพพานไม่ได้ทรรวัดโลกีธรรมวัดเพื่อพระนิพพานผู้รับก็รับเพื่อพระนิพพานผู้ทรรวัดก็ธรรมวัดเพื่อพระนิพพานและไม่ได้เอาผ้ามาลืมไมไ่เอาผ้ามา เมื่อพ้ามาลืมนกยกยกย ก, ด ก, ด ก, ดกปูชาจะปูชนยานั่อาอมิสสะบูชาที่ได้มาในทางที่ชอบไม่ได้ผิดพระวินยัยไม่ได้บอกไปเด็ดดอกไม้มาบูชาบางท่านบอกว่าไม่ควรทาําอมิสสะบูชามันเรียนน้อยไป โอ้โอ้โอกโอเออเออเออเออถายทั้งถานางชุดชราถายทั้งสานางชุดชรานางชุดชรา นิพพานผู้ให้ก็เพื่อพระนิพพานผู้รับก็เพ uh, <inter Hob art> ื <rinse vé> <anyone> <yi> ่อพระนิพพานเออเขาโจมตีเขาโจมตีสู่ผลีก็ยิ่งมาเอามาให้เอาเอาพุทโธธโมสัคโเขบูชาพระพุทธธรรมประสงค์พุทโธธมมสัคโขพุทโธธโมทัคโขผู้สมสงนิพพานผู้รับก็เพื่อพระนิพพานผู้ให้ก็เพื่อพระนิพพานผู้รับกับผู้ให้ก็ตรงกันก็ได้บุญมากมีเจตนาตรงกัน นี่อะไรนะเยอะแยะอาหารอาหารหาังอาหารังอาหารยะอาหารอาหารอาหารถ้ารับแล้วเป็นสันนิธิพรุ่งนี้จึงให้สมเด็จเอามาถวายดอกเออเอเ อ, เอย่ากจ็ปวดอย่ากจ็บปวด เอออั Finanz, iend, น wie, ه, น ward, ันเอาไว้ะให้น่เ็นสับจับนะเมนั่นพอเป็นอาหารใช่ไหมนีไหมมีอาหารไหมเยอะเงี้ยเยอเงี้ยเออเก็บอะไรพี่ก็ได้ให้น่มามามาถือันนั้นเกอะไรพี่ก็ได้เยื่อผานา่อ้านาอ๋อหัวโตทั้งโมทั้งโกหัวทั้งโมทั้งโก โฉมโฉมต้งโกมุต้งกมุตั้งกมุดโมตั้งมุตั้งุต้งนี่เอาไปเอาไปทางนี้ไปอันนี้เอาไปทางนี้ไปนี่ไปทางนี้ไปเอาไปทางนี้สมอันนี่ยไปทางนี้เออเดี๋ยอกอันเลย เออเนี่ยไปทางนี้นี่หน่อยอันฮะมันจังเลยเห็ดฮะเอาไปใส่ออกว่ายต่างหากว่าางหาเออเอ้าพุทโธนโมสะโกพุทโธนโมสะโกเบาหัวเป็นสยยะศาสตร์ เป่าหัวให้ลงถึงใจให้ใจถึงพระพุทธรมประสงค์ผูกแขนก็เหมือนกันผูกก็ตผูกใจให้ถึงพระพุทธรมประสงค์ถ้าเราเป่าหัวอย่างนั้นเป็ น, เ, ปนเสยยาสตรอันนี้ของใครเอาไปเนี่ของใครไม่ทราบของใครของใครของใครของใครของใครของวัดอเข้าใจเข้าใจเข้าใจ พระพุทธศาสนาขยายออกไม่เราไม่ตื่นหรอกไม่ค่อยตื่นง่าย<ว>อาณาปานาะสตินี้ท่านผู้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตก็ไม่วันไหวสารีบุตร พระสาลีบทตรงจันเสรินลมหายใจเข้าออกตายในกิจก็ไม่หวั่นไหวใครชอบสะดุ้งผาวามัดตื่นเหมือนเนื้อสมังในป่าพรสของเขาไม่เจริญทำอะไรก็อย่างนี้ตื่น <c oughs> ลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐ า, านเลิศในทางพระพุทธศาสนาะ กรรมาฐานใดๆในใจโลกธาตุดึงมาใส่ลมหายใจเข้าออกได้หมดเหตุฉะนั้นลมหายใจเข้าเข้าออกจึงมีอานิสงส์สาสบประการานาปานาสติกายกตาสติ21สิประการพุทธาธรรมาสังคารุสติเป็นต้นมีอานิสงส์สิบสาประการพลเมืองอาหารมีอานิสงส์สิประการ กายกตาสติมีอานิสงส์ยี่สิบประการผู้พิจนารณาความตายมีอานิสงส์หาประมาณไม่ได้มหัพรามหมานิสังสาเหตุทนั้นจึงท่านจึงจับด้วยมรณะสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อานุนเธอพิจนารณาความตายวันละกี่ครั้งร้อยครั้งพระเจ้าข้าเออยังประมาณอยู่อานุนทุกลมหายใจเข้าออกยิ่งดีนะัก เหตฉะนั้นลมหายใจเข้าออกดึงมาได้มดดึงแปดมืสี่พระธรรมขันธ์มาได้พวกเดินนิพพานเห็นลมหายใจเข้าข้างหนึ่งก็เห็นทั้งเกิดขึ้นทั้งแปรปรวนทั้งแตกสลายด้วยเห็นทั้งต้นลมกลางลมท่ายลมด้วยเห็นทั้งต้นลมกลางล ม, ลมท้ายลมคื อ, อยังไงก็คือเห็นอนิจจังแ ล, และทุกขังอนัตตาสัมพยุกันอยู่ในตัวไม่ใช่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะไปอยู่คนละมุมโลก เมื่อสิ่งไหนแม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วเป็นอันิีจังอยู่ในตัวก็เป็นอนัตตาอยู่ในตัวแล้วนั่นๆั่น น, น, น, นคืออะไรคือรูปขันนามขันเราดีๆนี่เองมันขันอยู่ไม่มีกลางกางคืนคให้ท่านใพิจารณาทําไมพิจารณาเพื่อพ้นทุกข์พิจารณาเพื่อแก้ความหลงเจ้าของความหลงเจ้าของมันไม่อยู่สี่อย่าง หลงว่าสักคนใร่างกายเป็นของสวยของงามหลงว่าเป็นของเทีย่ยหลงว่าเป็นของสุขหลงว่าเป็นของตนตัวเอาจริงจิ้งจั ง, จงแก้ความหลงอันนี้แล้วก็ข้ามทะเลหลงไปสกหนะข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงกรรมฐานแต่และอย่างละอย่างมันรวมกันได้หมด แปดมื่นสีพระธรรมขันธ์องค์ท่านพูดเป็นอักษรขหโหไม่สงเคราะห์เทศคนนั่นอยู่ที่นั่นเทศคนนี้อยู่ที่นี่แล้วเอามารวมไว้เป็นแปดมื่นสีพระธรรมขันธ์ไอ้แท้ๆก็เป็นตัวศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวนั่นเองทําแต่ละวัดละบาทส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของแต่ละท่านแต่ละบุคคล ณโมตัวเดียวก็ส่งต่อขึ้นพระนิพพานหมดณโมพระสวัดิบาลณโมพระสกทาคามีณโมพระอนาคามีนณโมพระอรหันต์ณโมพระเจดณโมพระสมมาพระพุทธเจ้าณโมแปลว่านอบน้อมแต่คุณสมบัติที่นอบน้อมมันลึกซึ่งต่างกันมันแยบคายกว่ากันหนักหนักหนักหนักพระอรหันต์เรียนณโมจบณโมพระอรหันต์ไม่มาเกิดแก่เก็บตายเอง พูดทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทเพื่อมาให้หลงปริยัติก็ยัดเข้ามาที่ใจปฏิบัติก็ปฏิบัติที่ใจปฏิเวทผลของการปฏิบัติก็อยู่ที่ใจนี่พูดเป็นเอกะนิบาตคือหนึ่งบทคือใจย่นลงมาแล้วย่นออกก็ไม่สงสัยขยายออกก็ไม่สงสัยเชือกเส้นเดียวนั่นเองที่เราถึงไปยาวเหยียดทั่วโลก เวลาเราโคงมาก็มาอยู่กองเดียวกันนนหนั ก, นกยาวก็ยาออกไปใจไปจากใจมากก็มากออกไปจากใจน้อยก็น้อยลงมาหาใจพูดไปไหนมันก็ไม่ไปมันก็มาหาใจผู้พู ด, พดและผู้ฟังนี่เองนักนนันักพระพุทธศาสนาสอนให้มีปัญญาชาติพิทุกขาคำเดียว ถูกโรคมดเหตุฉะนั้นธรรมจักกะพวัตนสูตรนสูตรที่ทําให้คนได้ดวงตาเห็นธรรมธรรมจักสุทธิเทศธรรมจักกะวัตนสูตรชาเพิทุกขาคำเดียวกระทบกระเทือนทั้งโลกมดทั้งโลกแต่ไปด้วยชาติเป็นทุกข์นั่นชราพิทุขากระนาลงไปเอกนถูกเอียงดท่องเทีวจากตโลกาธาตุ มันนำพิษทุกครั้งก็ถูกมดอีกใครจะฟังหรือไม่ฟังมันก็ถูกคนตาบอดอาจแลเห็นคนหูหนวกอาจได้ยินหน้าต่างที่ผิดก็เปิดท่านพูดเป็นบุคลาธิฐานก็คนหูหนวกคนตาบอดมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทําไมมันจะไม่ถูกในธรรมจักรปตะนาสูตรนั่นก็ถูกตั้งแต่ภูมานางเนวานังสัททางตุตตา ตวัววติงสาญามาฤิสิธิ์น ม, มาด้วยวติพระนิมีตม า, าสัมติผมมันค่อยาผมก็โลยตามหาพร ม, มาภริตตาภาอัปมานาพาอาพัชราภริตาุภาอัปมาณะสุภาสุภกินะกาอสัญญชะตาเวหาราอาเวหาอัตปาสุศะ ส, สุศีอการิทกาถูกไปหมดทำให้จักกระพาตนาสูตรอย่างพิสดารจึงว่าเอตัมพักกวัตาไป เห็นอเนจังคณะเดียวเห็นโลกรอบแล้วนั่นเพราโลกเต็ไมไปด้วยอเนจังดั่นนี่ปัชนาธุระไม่ใช่สมถะธุระเหตุฉะนั้นพระบรมศาสด า, าจึ ง, งยืนยันว่าวิปรัสนาธุระไม่ใช่สมถะธุระนั้นนั้นนั้นนั้นนถูกไหมไม่ใช่ศีลธุระใส่ชื่อเรอนากว่าวิปรัสนาธุระนันนั่นนั่ น, น, น ก็คือปัญญาธุระนั่นเองนะถูกไหมร้องดังเกินไปเบือ่อไหมศีลย่ยนลยน ง, นนงมาเป็นเอกศีลในปัจจุบันสมาธิย่นลงมาเป็นเอกสมาธิในปัจจุบันปัญญารอบลงมาย่นลงมาเป็นเอกปัญญานในปัจจุบันเอ้า จะพูดในส่วนสังฆหูสินห้าถ้าเราไม่ล่วงละเมิดมันก็เป็นศินห้าเกลียวอยู่มาในปัจจุบันนี้เองปานาทิปะและเช่นนาการมามุสาสุราถ้าเราไม่ล่วงละเมิดก็เป็นศินห้าเกลียวก็เป็นเชือกห้าเกลียวมาอยู่ในรวมในปัจจุบันนั่นศีลขันหมวดศีลอะี่สมาธิขันหมวดสมาธิที่นี่ฉันทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้ วิทยะเพี้ยนมันประกอบเน่กรรมฐานที่ตั้งไว้จิตตกเอาใจฟักไยเนี่ยกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันติตองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี่มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําโมคุณให้ถึงสิ่งที่ต้องประสมชิงเหลือ ว, วิสัยนั่นอิจิบาตเลยไงอิจิบาตคุณเครื่องให้สําเร็จความะสมสี่อย่างทีนี้เอา้าจะพูดพระคือเทวกรรมคือทําเป็นกำลังหอย่างอีกต่อไป ศรัทธาความเชื่อในกรรมฐานท oui, like ี่ต uh, um uh, ั้งไว้วิทยะเพีย้ยาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาิสติระลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นตกลงเป็นเชือกหเกลียวอยู่ที่ปัจจุบันเลยปัจจุบันนันจโยธรรมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่ค้อนแย่นคอนแคลนในทางพุทธศาสนาเล ปัจจุปนันจะโยธรรมังแปหมื่นสี่พระธรรมขันย่นลงมาในปัจจุบันเลยจะขยายออกก็ไม่สงสัยจะย่นเข้ามาก็ไม่สงสัยผู้ขยายก็คือใจเป็นผู้ขยายผู้ย่นก็คือใจเป็นผู้ย่นจะไปสงสัยทำไมนักนผู้สมมติก็ใจเป็นผู้สมมติผู้วิมุตติก็ใจเป็นผู้วิมุตติผู้พ้นก็ใจเป็นผู้พ้นจะไปสงสัยทาไม ทำดีก็ทําให้ใจทําชั่วก็ทําให้ใจตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไม่รับเขาไม่รับอีหอ่ห น, น, นูนี่เอ๋เลยนั่นนั่นพูดย่อลงมาเพื่อให้ยปัสบาวะง่ายทีนี่ขยายออกไปแล้วก็ดึงเข้ามาขยายออกไปแล้วก็ดึงเข้ามาก็เชื่อเส้นเก่านั่นเอ ง, เองนั่นนั่นพูดน้อยก็น้อยออกมาจากใจพูดมากก็มากออกไปจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจทําทั้งหลายก็ย่นลงมานี่นั่นนั่น ถ้าหลงก็หลงอันนี้ถ้าไม่หลงก็ไม่หลงอันน hmm ี้หลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงทำตอนนั้นนั่นนั่นั่นถ้าหลงใจทั้งหมดก็หลงทำทั้งหมดถ้าพ้นใจทั้งหมดก็พ้นทำทั้งหมดนั่นน่บางท่านบอกว่าเออผมภาวนามันข้ามเวทนาไม่ได้เออพยศเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามไม่ได้สินก พี่เจนาเวทนาเป็นอารมณ์ว่าเวทนานี้ก็สัตว์เวทนาไม่ใช่สัตว์บกคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงเวทนานุวัฏนาเท่านั้นนั่น น, นัถ้าสำคัญเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนามันก็ข้ามเวทนาไม่ได้นัน่ถ้าสําคัญตนเราเป็นใจใจเป็นตนมันก็ข้ามใจไม่ได้เหมือนกันนั่น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 ยังจิตตานภาชนะสติกำหนดเพี้ยาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าทำนี้ก็สักว่าทำไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงธรรมานุพัชนาเท่านั้นนั่นนั่นนั่นเพราะเราวิศาสนาให้พิญญาลงสู่อนัตตาเท่านั้นอนัตตาบาปเป็นฝ่ายละอนัตตาบุญเป็นฝ่ายเจริญถ้าแยกอนัตตาไม่ถูกก็บ้าใหญ่ละทีนี้หรือเจองไปยังอัอนตตามัด เป็นอนัตตาทําให้เกิดได้มีอนัตตานี้รอดเป็นอนัตตาที่ทําให้แย่ออนัตตาทุกเป็นอนัตตาที่ควรกําหนดรู้อนัตตาสมุทัยเป็นเหตุใช่ละนะนัะนถ้าแยกอนัตตาไม่ถูกก็ยุ่งเหยิงละทรัพย์เพรทมาอนัตตาก็จริงแต่อนัตตาที่ควรละคนเว่นก็มีควรเจริญก็มีทุกคนทําให้แย่ก็มีนักนักนักพวกกรรมฐานหรือพวกนักเรียนมันมาสงสัยกันอยู่ตอนนี้แล้วมากนักนักนัก อนัตตาพรเนธพานเป็นอนัตตาที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เหมือนอัตตาอัตตหิอั ต, อนตโนนาโถตนเป็นในพึ่งของตนใจเป็นในพึ่งของใจธรรมเป็นในพึ่งของธรรมนอกจากใจไม่มีอันใดจะเป็นในพึ่งของใจนอกจากธรรมก็ไม่อันใดจะเป็นในพึ่งของธรรมใจเท่านั้นเป็นในพึ่งของใจใจมีคุณเป็นมหันตและก็มีโทษเป็นอนันต์ถ้าทําผิดตนถึงกับผูกคอตายหน้ากายแตกต้องมี ถ้าทำถูกก็เป็นห้นทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนับแต่โลกีไปจนถึงโลภุตร ะ, ะเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติรูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพานถ้าทำถูกก็เป็นทางเข้าสู่ขณีพานหนักหนักมนัตจมิงวินิบิติ พระอรหันต์ก็นายใจที่เคยยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจนั่นเองไอ้แท้ไม่ได้นายใจนายผู้ไปหลงใจว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นขัตสัตวเป็นบุคคลจักพุทธมิงไปนี่บินนตินายตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่นายตาหูจมูกลิ้นกายยกเป็นบุคลาธิฐานเหมือนกันนายผู้ไปหลงตานายผู้ไปหลงหูนายผู้ไปหลงจมูกนายผู้ไปหลงลิ้นนายผู้ไปหลงกายนายผู้ไปหลงใจนายตนเองทับศัพท์นะนะนั เรารู้อดีตตามไม่จริงของอดีตเรารู้อนาคตตามไม่จริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันตามไม่จริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเงื่นพระบรมาศาลาเงื่อนนักนักพวกเราต้องหัดไปนั้นอคําสอนของพุทธศาสนามันเป็นคําสอนประเส ร, ริฐแล้วโลกทำไมจึงขว้างค้อ ผ่านมะม่วงไปซักหน้าสงสารจริงจรง อ, าอาบายามุกมันเป็นมนุษย์ิบัติทำไมมนุษย์สมบัติจึงลำบากก็เพราะไม่ทิ้งอาบายามุกมุกขะแปลว่าชิบหาอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากพระสวดาบาลไม่เสียดายอย่างล่วงอาบายามุก ไม่เสียดายอยากจะถือศาจดาอื่นไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเส้นห้าไม่เสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นแลเลื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารค้าขายหน้าเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้พระโสดาบันไม่เสียดายประกอบเลยนั่นนั่นนั่นนั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่ใจและ ของผู้ฟังและผู้พูดชีไปทางไหนมันก็นมาไปมันก็งูมาหาผู้ฟังและผู้พูดนี่เองนั่นนั่นนั่นใส่ไม่เอกไม่ใช่นั่นใส่ไม่โทก็มาหาผู้ฟังและผู้พูดไม่สงสัยเลยคําสอนพระพุทธศาสนาะไม่สงสัยเลยมันเสียเวลาถ้าสงสัยมันก็บ่ายมันก็สายมันก็ค่าถ้าค่าก็ตายไปเปล่า คั่คือตายบายก็คือแก่เกินไปอย่าสงสัยไปไหนอริยธรรมทิโตณโรอริยธรรมคือทำอันประเสริฐอยู่ที่นอนได้ชนนั่นเองหิวนอนก็ต้องนอนเองหิวน้ำก็ต้องดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราตถาคตเป็นเพียงบอกพวกคุณทั้งหลายเท่านั้นถ้ามันไม่มีอยู่ในบริบทกับพวก ที่น้องทั้งหลายหรือพวกคุณทั้งหลายหรือพวกเธอทั้งหลายหรือพวกท่านทั้งหลายแล้วเราตถาคตก็ไม่เอามาเทศถ้าหากว่าตถาคตจะเอาชิ้นห้าของตถาคตให้พวกเธอหมดชิ้นหของชิน 8, ช้นแปดชิงร้ยยี่สิบของตถาคตมันก็หมดไปมันมีอยู่ในพวกเธอพวกเธอไม่รักษาเอาเฉยๆนะ่นนะั่นเกซา ไม่ใช่เราจะเอาผมมาให้เธอทั้งหลายก็ผมของพวกเธอมีอยู่โลมาไม่ใช่เราจะท้าคดจะถอนขนของเราไปให้พวกเธอขนของพวกเธอก็มีอยู่ณขาเล็บของพวกเธอก็มีอยู่แล้วนั่นนั่นกรรมฐานฐานะแปลชีตั้งของการปฏิบัติยินดีในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชนะความยินดีทั้งพวงในโลก สนใจในพระพุทธศาสนาชนะความสนใจทับทวงในโลกยินดีในพระนิพลก็คือคือยินดีดับเพลินในวัฏสงสารนั่นเองนะนะนะั่งนั่งนเพื่อใดเพลินในวัฏสงสารกับเพลินในรุ้มฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันเพื่อใดเพลินในทางที่จะออกจากโลกจากสงสารพว้นั้นแหละรักธรรมพวกนั้นแหละเพลินถูกนั่น มาเอีกแล้เน่ห้องแห้งหลายแล้วมาอเนี่ยคุณาแล้วคุมนุษย์สาโลเกแขวจากทำคำพศคำสอนของพระบรมศาสดามีค่าร่ำนอได้คนเหยียบย่ำตีเป็นเลขเป็นผ่าพวกเราไม่ถูกพระศดาบัน์ไม่เสียด้ ไม่ใช่ได้อยางเราเราเพราะเห็นดิ่งแล้วเห็นดิ่งในทางถูกมันก็ถอนไม่ออกเห็นดิ่งในทางผิดมันก็ถอนไม่ออกนัน่แผนดินนะสองแสนสี่หมื่นโยธเขาเอาลูกระเบิดปรมาณนู้นทลายแตกจิตใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใครใครมาถอนออกมันก็ไม่ออกเลยจะเอาเงินเต็มแผนฟ้าแผ่นดินสมบัติภายนอก มันเป็นของหลอกในวัตฏาสองสารมาให้คลายความเลื่อมใสใ น, นพระพุทธธรรมผสมมันก็คลายไม่ได้ทำไมมันจึงคลายไม่ได้เพราะมันเห็นดิ่งชัดแล้วอัปมาโนพุโทโธคุณของพระพุทธธรรมผสมมัมีประมาณถึงจะย่นลงมาเป็นวิสุทธทิคุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณก็ตามแต่เป็นคุณใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้ไม่มีที่วางไม่มีที่ปรง จะขยายออกก็ไม่มีที่ขยายเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าอปมาโนพุทโธคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณอปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมก็ไม่มีประมาณสังโฆก็เหมือนกันภาษาที่บุรเดินจงกรมกลับไปกรับมา องค่าค่าพระ อ, องค์แล้วลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หาประมาณไม่ได้พระเจ้าค่าถึงจะย่นลงมาเป็นเอกะคุณในวัจุบันก็เป็นเอกะคุณอันใหญ่หลวงหาที่วางไม่ได้พระเจ้าค่าเออสารีบุตรเธอเป็นผู้มีปัญญามากเธอก็ต้องรู้มากสินั่งนนนันเธอมีเชือกยาวเธอก็ถึงได้ยาวสินะั่ เธอมีกำลังเธอก็ต้องแบกของหนักสิเธอมีสายตายาวเธอก็มองได้ไกลสิเราไม่เห็นภิกษุองค์ใดสาวกองค์ใดจะมีปัญญาเหมือนเธอเธอก็เป็นภูมิสาวกเหมือนกันแต่ว่าทรงปัญญามากกว่าเพื่อนพระบรมศาสน์ของน้อยอธิบายให้เป็นของมาก ของมากอธิบายให้เป็นของน้อยคือยังไงคนจะมีกี่ล่านก็ตามย่นออกมาเป็นธาตุดินสักนะธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสัคนจะมีกี่ล่านก็าตามยนมา่นออนะ ก, ากาา ม, มาเป็นเอกะสังขารสะสังขารที่มีใจครองและสังขารที่ไม่มีใจครองสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์โอกาโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่ชะตามาพระเจรหกชั้น พระมรรคได้แก่รูปภพมชัหกชัน้นและอรูปภพมสชั้นยน่นลงมาในสังขารโลกซะสังขารโลกก็ยน่นลงมาในเอกะสังขารซะสังขาราปรมาราทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งนัถ้าเห็นสังขารในโลกเป็นทุกอย่างยิ่งด้วยปรัจจคขาสิทธิพร้อมกำลมให้ใจเข้าออกแล้วการสงสัยสังขารจะมีมาจากประตูใดล่ะนัะ ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็เห็นตามสัญญาสิถ้ามันเห็นชัดพร้อมกลับลมหายใจเข้าออกเป็นเอกานิบาตแล้วมันจะไปสงสัยสังขารที่ไหนถ้าไม่สงสัยสังขารแล้วฉะนั้นจะยินดีในสังขารก็ยินดีในพระนิพพานดิ่งหน้าเดียวนั่นนั่นน่นนั่ น, น, น, น, นจะเป็นจินตะวีแต่งเรื่องจินให้เขืองสักเพียงใรก็าตามถ้าไม่เป็นที่สรรถังเวชเพื่อให้พ้น ในวัดท้าช่องสารเนี่ยก็เท่าพาศิตเดียวไม่ได้นั่นพระรมศาสน า, านักหนักพุทธศาสนาวังเพื่อให้หนายให้คลายให้ลดแค่พ้นเท่า น, นั้นไม่มีอะไรเลยแต่มันจำเป็นผู้อยู่ระดับต่ำจำเป็นก็ดอกบัวใต้น้ำหรือดอกบัวส่งน้ำดอกบัวสีเหล่ามีไหมทุกวันนี้ก็มีอยู่ดอกบานก็บานเต็มภูมิคือท่านพูดพ้นไปแล้ว ดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิคือท่านกําลังตะเกียบตะกายจะพ้นอยู่ดอกเสมอนม้ําก็คือพวกถือทำบุญบ้าทาบาปบ้าดอกอยู่ใต้หน้าก็คือผู้ถือออกมามีบาปมีบุญอันนี้ตังเอ๋ยนะโลกันตะนารกมันมีอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่ที่หัวใจคนผู้ปฏิเสธ ว, ว่าไม่มีบาปไมีบุญนั่นเองคือเป็นโรกันตะนารกขมมืดนั่นนั่นนั่น เส Applause, 아아ียงปฏิเสธว่ามีบุญมีบาปนั่นเองคือเป็นเสียงขุดดินฝังเจ้าของนักนักโอ้โหเปร้ายกับเบื้อหูได้เนาะเมื่อที่โตผู้เหญ่ไว้เพื่อนเราน้่ปันว่าโตดีก็รอกกันได้แม่น่บอกเออเดี๋ยวๆๆๆฮะนี่หนังสือนี่หายมดทุกคนมโนมันสีบมอเหมือนว่าหายมัดอาไว้คน้ายผุดไว้ อย่างนี้อย่างเนี้ยเอาไปเอาไปแกกพระเดียวมันดบุญหลายนี่เอาไปเอาเนี่เอ้าสันเดียวนี่เนี่ยน้อยคนอาปากกองแกนเอาที่เอไปนี่นเอ้าเอายามาใส่เอายามาใส่เสันเดียวนี่มันจะไดบุญหลายเนี่เอาบุญมาเปลีนมันเอืดบุญมั่งใจบอกเห็นลอกฟงมันหรอ ไปบินดบาตน้ำกันวยนนีเหนื่อยสั่งเท้ากับยวดปลาไปาั่งบิยดธบาตรพานมากะก็พผักเม็ดกับมีแล้วกัมูเจ้ากัไปยั้งจังหวดตีต่างเอาหักสสบาดแพะเนี้ยเอาบุญมาเปลี่ยนมันกระเมดมันมันกระอึดบุญพนวาหลวงพูมันข้าวยวดหลวงพูมั น, มนบวชเล่นบ่สัวตวบวชให้เขาเอื้นไอศิลไอเสียงบ่สัว หรือียบวัดทนทุกันตัววอกเก็บคืออย่างนี้เลยไปไปเที่ยวหาวิเวกไปเที่ยวหากินข้าวต้มขนมเขากับขึ้นมาถามภาวนาว่าได้ข้ามหาโยนะมาขี่เสวัตรท่ซื้อวันตัวรถประมันไหมก็คอยบอกบ <c oughs> เก็บว่าปวดคืออย่างนี้ตัวมูตัวว่าท่านเห็นนี่คือเราเข้าเห็นเต็บตาเข้ามาแห้งแหละเมื่ อ, นน อ, อไ้ยินแต่เพิ่นเราเขาได้ยุ่พร้อมเขายุ่ซีปีเอยุ่เพิน ฮะไม่จากกรุงเทพเออฟังไม่ออกนะฟังออกบางคำแนลๆเสียเปรียบพวกภาคอีสานภาคอีสานอสานเขาฟังภาคกรุงเทพออกภาคกรุงเทพฟังภาคอีสานไม่ออกฮะฮะอะไรเนีับ นั่นนั่นเหรอไม่ใช่นั่งหระเออนั่นนั่นนั่นนันี่นี่แปลว่านั่นใส่ใจนี่แปลว่านี่ใส่ใจนั่นทั้งหลายก็คือธรรมะอยู่ที่ใจนั่นทั้งหลายก็คือธรรมะอยู่ที่ใจนี่ทั้งหลายก็คือนี่อยู่ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นนั่นออกไปมันก็ไม่ไปธรรมะมันอยู่ที่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนใช่ไหมดีมันก็อยู่ที่นี่ชั่วมันก็อยู่ที่นี่มันไม่ได้ออกไปทางอื่นความมีความชั่วถูกไหมนะเข้าใจนะ เเดียวเดยวเดีย ว, ยวถ้ามันมีมากมีมากคนไม่ครบก็ให้ให้แค่คีว่าประวัติพ่อเออวันนี้วันนี้จะไม่แก่ให้หมดจะให้แก่ให้แต่ชีว่าประวัติเท่านั้นเพราะมันจะไม่ครบอืมฮะห้าทบคนมาจากไหนก็ เขะคิดว่าภวัการตไปมันมันมันมันสืเดได้ิมุฟาะแจกได้นิกติิเชัมชิตงตมหังคีพะเบยสมพุนเเรนสังกา้าจันโทกนาลาโสามณีโชทโสยาี่โยวัสนตุโคตะปะปโยะโกวินานามาเวตวนตราโยุกิคาโยโก พร ะ, ะอภิวาทนาสียุสานิจังมุทาปจายานุชาตาโรธรรมาวะชันตินายุวนโนสุ ข, ขังพระหลังลูกเป็นไ่สักว่าเห็นเพื่อจะไม่ยึดถือผู้ลูกให้เป็นมานะทิทติเพื่อจะทำลายอุ ป, ปาทาน กาโมปาทานจะทำลายทิฏฐปาทานก็จะทำลายศีลพปตุปาทานก็จะทำลายไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเมื่อทำลายอาวิชชาแล้วตัณหาอุ ป, ปาทานกรรมไม่ต้องไล่ไปนั่นก็เป็นวิชาเจเ น, นสัมปันโนนั่นเห็นไตรักษั์มันก็ทำลายอาวิชชาอยู่ในตัวแล้วนั่นเห็นไตรักัณ ก็เห็นโลกชัดก็เห็นสังขารชัดก็เห็นทุกข์ชัดเป็นเอกาศีนเอกสมาธิเอกปัญญาเมื่อใดพิจารณาเห็นสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นยอมนายในทุกข์นั้นแหละทางแห่งวิสุทธิศีนวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธินั้นนั้นนั่น เมื่อใดพิจาณาเห็นสังขารน้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเมื่อนั้นย่อมนายในความเห็นของชาวตัวที่เคยหลงมานั้นแหละทางแห่งวิสุทธินันย่นลงมาพราะบรมสารานั่นคือคำพีวิสุทธิมัตคำซีสุทธิมัต ก็คือคภีพิเศษที่ผลเหมือนกันเพราะมัด ก, กับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุพูดผลก็พูดเตะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหามัด ก, กับผลไม่อยู่ห่างกันพอเก้ามัดคือตัวเหตุผลคือผลของเหตุเหตุพืชกรรมมัดจงเคาะกันเข้าได้ ผลของเหตุผลของพืชผลของกรรมก็สง่งเคาะกันเข้าได้ส่วนจะไปทางโลกีหรือโลกุตระแล้วแต่เหตุพืชกรรมมักเป็นประมาณหนักหนักบางท่านบอกว่ามักผลมันหายไปเลมันหายไปที่ไหนเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุสงสัยผลก็สงสัยเหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยเหตุก็มัก ลงเข้ากันเข้าได้มักแปลว่าหนทางคือหนทางไกลไม่ใช่หนทางภายนอกเทียบใส่หนทางภายนอกเป็นพกาทิฏฐานเพื่อจะเพื่อจะให้เข้าใจใเฉยๆรรมั ก, กรรมักหนักหนักหนักเอกามักเอกามักเอกามักก็คือศีลสมาธิปัญญารวมผลเข้าเป็นอันเดียวกันทุทธังสงรวมพลลงมาเป็นหนึ่งแล้วแปลมือเงินเสียวมาทำมขันลงมารวมลงม า, งม า, งมาเป็นเอกราชิบาตในียวัจบันนักนัก ภานา use. ด้านสงเคราะห์สงเคราะห์เข้ามาสังฆโหอสังฆโหสังฆโหแปลว่าสงเคราะห์อสังฆโหไม่สงเคราะห์เอกะมเลคือมูลของจิตของใจนี่เองนั่นย่นลงมาแล้วย่นก็ไม่ต้องสงสัยขยายก็ไม่ต้องสงสัยเขียนก็ไม่ต้องสงสัยลบก็ไม่ต้องสงสัยใครเป็นผู้เขียนก็ผู้นั้นเป็นผู้ลบใครเป็นผู้ขยายก็ผู้นั้นเป็นผู้ย่นนั่น ขยายออกไปจากใจย่นก็ย่นลงมาหาใจสิสัพทุกข์ออกไปจากเอกทุกขย่นลงมาก็ย่นมาหาเอกทุกสัพพิสังขารย่นออกไปมันก็ออกไปจากเอกสังขารย่นลงมาถึงเอกสังขารในปัจจุบันสัพพีสินย่นออกไปจากเอกสีนสัพพิตาสมาธิย่น ขยายออกไปจากเอกาสมาธิสภาะปัญญาขยายออกไปจากเอกาปัญญาย่นลงมาให้เอกปัญญาเอ ก, กสินเอกสมาธิต่างนัน้นอยู่ที่แห่งเดียวเพ่งอยู่ที่แห่งเดียวไม่ได้สงสัยจะสงสัยก็ไม่สงสัยเพื่อให้แต่ฉันเนี่ยอาจเนี่ยทำเลยเอาการที่ขยายออกย่นเข้าม า, มาเพื่อเห็นให้เห็นได้ง่ายย่นเข้ามาก็ไม่สงสัยย่นตากออกไปก็ไม่สงสัยข้ายกับข้าวที่เขาเอาไว้ในยุ่งในถางเมื่อเขา เ อ, ออกจากแดดเขาก็ไม่สงสัยเมื่อเขาหุบเข้ามาในกระสอบเขาก็ไม่สงสัยสัพพทุก์ย่นลงมาฮาเอกระทุกสัพพตายย่นลงมหาเอ ก, กตา ย, ย, ตาตายดินน้ำไฟลมมีมากมายพระษารีบุตรนับเม็ดหินเม็ดทรายในท่อมหาสมุทรได้เรามีเกเรตอยู่เราก็นับได้เหมือนกัน คือสิ่งที่เป็นของแข็งเราก็บอกว่าเอกพัทธวีธาสิ่งที่เป็นเห ล, ลวเราก็บอกว่าเอกอาโปธาสิ่งที่เป็นไฟเราก็เอกเตโชธาสิ่งที่เป็นลมพัดไปมาเราก็ตอบว่าเอกวายโธาทย้อนลงมาเป็นหนึ่งถ้าไม่ย่นจะไปนับหนึ่งสองสามจนถึงสอข่ายผู้นับก็ผีบาผู้เป็นกรรมการฟังก็ผีบา กี่วันมันจึงจะจบนัดนๆั่นั่นนันสิ่ ง, งผู้ฟังทำย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังพระผู้ฟังมีโว ห, หารต่างภูเทศมีโวหารต่างๆกันสิ่งใดที่เคยฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดข้อสามบรรเทาความสงสัยเสียได้ข้อสี่ทำความเห็นให้ถูกต้องเมื่อความเห็นให้ถูกต้องแล้ว ข้อห้ากิดผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้สองแห่งการฟังทำไปเนไหเอาละมันจะไม่ได้ไปมันค่ำแล้วนะวะว่า ม, มันค่ำหรือเอล่อาอ๋อออสาวมวดี๋ยวนี้มาเดี๋ยนี้ ฮะเครืงขงหลวงใส่โธ่อเอาใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจซกา มหาแชระชั้นที่หนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายชั้นที่สองคือพระพุทเจกทั้งหลายชั้นที่สามคือพระหันตาชีนาศพทั้งหลายชั้นที่สี่คือพระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าคือพระสกทาคามีทั้งหลายชั้นที่หกคือพระโสดาบันทั้งหลายเมื่อเราทั้งหลาย ทุกท่านหน้าที่ได้มาในที่นี่ก็ดีไม่ได้มาก็าดีที่ในที่นี่ก็ดีเมื่อได้ประมาทาพาดพังพระมหาเถรละทั้งหลายเหล่านี้ด้วยกายกรรมสามมจีกรรมสี่มนโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งก็ดีขอพระมหาเถรละทั้งหลายเหล่านี้จงทรงอภัยให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมื่อผลชุดท้ายพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในบวรพระพุทธศาสนาของพระสมณะพระพุทธเจ้าทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตื่นอยู่ทุกเมือ่อ ทุนทุกในวัดตาสงสารตามความประสงค์ของตนอยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มานี้ต่างฝ่ายต่างได้ทำ ผิดกันด้วยกายกรรมสามวกีกรรมสีมโนโกรรมสาม 3. อันใดอันหนึ่งก็ดีหรือทั่วทั้งใจโรกกท่าก็ดีต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมือ่อผลสุดท้ายพวกเราทั้งหลายอย่าได้มีเวรในภัยแก่กันและกันทั่วทั้งใจโลกกระท่าอยู่ทุกเมือ่อเทินจงประสบแต่ความสุขความเจริญในบารมีพะพุทธศาสนาของพระสมณะพระพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกรอยท่อทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อเทิน อ่างตมเหอ้ยนิปเมฆเมิตรบัเอวังหวตุเอวังหตุโยเะผุเบปัมัชิตวัปชาโซนะปมัชติโซมังโรกังปพาเศริอะภะมุตโตวัจันติมาภิวาทนาสีทิศานิจังลุตาปะจารยโนจตารุธรมาวัทฐานติอายุวโนสุขังพระลังพวกสาวพุทธกามาหพุทธบรมาพุทธยักษปหาใส ว่าพวกกินเรากับไปหาหมูเราพวกถือศาสนากข้มาหาผู้มูศาสนาพวกขี้รักกับไปหาพวกขี้รักกับโมไผ่โมัมมนแล้วเสียวายังไรเรอเว้ยเออพวกแมงวันกับไปหาหมูแมงวันพวกแมงภูแมงผมิงกับไปหาหมูแมงภูแมงผึงมันเป็นของทิพย์ในโลกอันนี้เลือกเอาบาปกับเป็นของทิพย์บุญกับเป็นของทิพ ย, ย์าเข็ดเอาอย่มไรก็ได้บาปบุญญาเข็ดเอาน่ำไรก็ได้มันก็ได้ยุ่ใจ ได้ galaxies, แล้วมันไปอยธาไปอยใจฮะบาบวกบาเพชรบาไปแทบสาดได้พรบไร้มาเห็ดสาดนี่ก็ไปบวกของเาฮะเพชรบุญไปแทบพบได้สาดไร้เพชรบุญนี่ก็ไปบวกบุญบวกบุญบไปบวกบุญขับไปเต็มบุญเก็มแ้วก็เขาสู้พระเนีานเท่านั้นแหละนั่นั่เพ็รหายใจเออเอาไว้นี่เอาไว้ วยายาประชกรใช่ไหมเอาเรา ค, คำจากหน่อยท่นเขามาเดี๋ยวนี้เขาอยากอายคนคือเขามาเฝ้าองเงิน <laughs> เขาก็สะสล า, าดีเขาก็บามาเด้เขาอยากอายคนเห็นคนม่าห ล, ลายมานั่งอยู่วยายาประชากรเปินมาเฝ้าองเงินเขาบอกว่าหาหรอซิบสองหาเป็นหก แลพันก็เล่ามาสมุิทําบุญสองพระเดชพระคุณขององค์ท่านองค์ท่านนะแน้วเจ็บเสพเจ็บเสบเนี่ยแจวมาจากว่าอะไรนี่ยรียกวาแล้ว <laughs> ไปไรบอลเนาะไปไรบอ น, นอ ท่านเป็นผู้เทวดาโดยสมมุติคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูว่าอาจารย์ตลอดปู่วดย่าทวดตาทวดยายทวดตลอดถึงพระบรมราชาพระบรมราชินี ถือพระวลมวงศานุองค์ท่านเหล่านี้นับถือพระพุทธศาสนาโดยเคร่งครัดบุญศนผลบุญของท่านจึงบรรดานมีผู้เคารพนับถือพระองค์ท่านไม่เบียดเบียนใคร อยู่อย่างเมตตาผาสุกแก่ประเทศชาติบ้านเมืองตลอดถึงพระพุทธศาสนาเป็นแกนหัวใจของท่านอยู่ด้วยประชาชนชาวไทยรักและเคารพอยู่ไม่มีวันจืดจางเลยพระองค์ท่านไม่ได้ถือตัว ท่องเที่ยวไปในเขตที่ธรกันดานทำประโยชน์ให้แก่ท่านหรือเขาเหล่านั้นตาจิตกำลังเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นคืออะไรนั่นคือตัวบุญในทางคารวะมีศีลธรรมเป็นเครื่องอยู่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 สัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วมหาการุณยโกนาโถทรงพระมหาการณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมรอค ก, กันดาชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพลอันพ้นโศิโยคัยพร้อมเป็นปฏิจจักร สุดจัรึกวิมลใสเห็นเหตุเท่ไกลไกลก็เจนจบไปจับจริงกำจัดน้ำใจหยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัดโลกได้พึ่งพิงมาลาบาบบำเพ็ญบุญข้าขอประรน้อมด้วยเสียนกล่าววังคมคุณสัมพุทธการุณตลอดกาลนานนิรันดอนแล พระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาพินาณลงชาวพุทธจะอยู่ได้หรือเราก็เหมือนนอดม้อยสุดสิ้นสกูลพุทธใครรานใครรบก้าวชาวพุทธคำอันไม่ดีจะตามถึงที่สุดอยู่ตลอดกาลนานเลพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วไง ระบอบระเบียบกฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่อูข้องธรรมก็ไม่นำคำหนึง่งก็จะหมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทำในที่รับทาเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกมีอยู่สองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ไม่ใช่โูคระเบิดนิวเคลียร์ไม่ใช่ลูกระเบิดปรมาณูไม่ใช่เอมสิหกเอ็มนั่นเอ็มนี้ถ้าคนมีอย่างอายต่อบาบมีความกลัวต่อบาปแล้วทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านอนหลับไปก็ไม่ใช่รุ่งผัว เพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างผู้ที่ร่วงละเมิดเส้นห้าก็คือผู้ร่วงละเมิดไม่มียางอายต่อบาดไม่มีความกลัวต่อบาดของข้อนี้เองเอา้าถ้าโลกมีเส้นห้าบ่ได้บุญแล้วโลกก็สงบมากแต่ทุกวันนี้มันก็ตรงกันข้ามอบายมุกทุกซุมในโลกา มนุษสาโลเกเขวจากทาคำสอนของพระบรมศาสดามีฆ่าลำ้ำนอนราชนแยบยำํำตีเป็นเลกเป็นปามันก็ต้องชิบหายแต่ต้นมือมาจนถึงปัจจุบันนี้มีนาก็เสียนามีไร่ก็เสียไร่ลูกผัวเมียแตกรล่ากันก็พออบายมุกมุกขะ แปลว่ามันชิบหายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากพุทธบริษัทแท้ต้องถึงพระพุทธผสมพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระตลอดตาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานไม่ยินดีในศาสนาอื่นเลยเบื้องต้นของพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาณนะโมตั้งณโมขึ้น นโมแปลว่านอบน้อมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอบน้อมด้วยกายไม่ค่าสัตว์ในมรักทรับย์ไม่ไมพูดผิดในกามนอบน้อมด้วยวายกายไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียบไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อนอบน้อมในกาไม่โลภอยากได้ของท่านผู้อื่นมาเป็นของตนไม่พยาบาทปองร่ายผู้อื่นเห็นชอบตามทํานองครองทำว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว ทำบาปก็มีบาปจริงทำบุญก็มีบุญจริงเรียกว่าเห็นชอบตามทำนองคลองทำเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบไม่ได้เห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นชอบ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 ถ้าใจไม่ปฏิบัติศีลธรรมของพระพุทธศาสนาใจก็สกปรกเ พ, พราะใจเป็นหัวหน้าของกายวาจาจึงพอเข้ากันประทังประทังได้เหมือนอาบน้ำถ้าไม่อาบน้ำก็เข้าใกล้กันไม่ได้ฉันในกดก็ดีถ้าไม่ยินดีในพุทธศาสนาไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วก็เข้ากันไม่ได้เหมือนชนัก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 ผลของมันก็คือทุกขเราดีๆนี่เองอายุวันโนสุขังพระลังสวัสดีคนป้าสวัสดีคนณน้าคุณอาคนปู่คุณย่าคนตาคนยายคุณหนูคุณลูกคนหลานคนเหรีญคนมิตรคุณสหายคนเพื่อนบ้านเอามาจากไหนก็เอามาจากอายุวันโนสุขังพลังของพระ ีๆนี่เองนั่นนั่นนั่นคืออะไรนั่นคือนั่นใจของพวกเราผูพ้พูดและผู้ฟังนี่เองผู้ยังเข้าไม่ถึงเชนห้ายังเป็นพุทธมามะกะไม่เต็มภูมิเข้าถึงเชนห้าบริบูรณ์แล้วเป็นพุทธมามะกะธรรมมามะกะสังขมามะกะเต็มภูมิ เป็นนักปราดในทางคารวะาอย่างเต็มพูม์บัณทิตโตคารมาวะสังบัณทิตเป็นผู้ครองเลือนไม่ใช่คนทุศิลปไปครองเรือนคนทุศิลป์ไปครองเลือ น, น, น, ออนวิดามานดาปูญ่าตายายจะมีทรัพย์สินขาดบริวารไว้ให้ทั้งล้านก็ตาม คนผู้นั้นมันก็เอาไปทำชิปหายหมดเพราะมันไม่มีเือมมีศินเป็นเครื่องดอู่มันประพฤติเกลเมลีกเป็นจิกโกจิกเกจิจกาเดี๋ยวเอาไปเล่นเลขหมดเดี๋ยวเอาไปดื่มสุราหมดเดี๋ยวเอาไปกินเหล้าหมดเดี๋ยวเอาไปคบกมีดชั่วหมดคำสอนใดใดใด ใ, ดใดโลกทาต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 ฝึกตนดีแล้วก็ไปเที่ยวฝึกผู้อื่นศรัทธาเทวามานุษย์ศานังสอนตนเองดีแล้วก็ไปสอนผู้อื่นมีมนุษย์เทวดามารพรมเป็นตน้นพุทโธเป็นผู้ตื่นออกจากความหลงแล้วพระกวาเป็นผู้จําแนกทานศีลภาวนาไว้ให้ชาวโลกรู้จักความหมายสักขาโตพระกวาตาธรรมโอ พระธรรมอันผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วสันทิทีิโกผู้ปฏิบัติย่อมเห็นเองไม่ได้ขมเหงได้ไม่ได้จ้างเลยอาการทโกมีอยู่ทุกการทุกเวลาเพราะใจมีอยู่ทุกการทุกเวลาทำทั้งหลายก็มีอยู่ทุกการทุกเวลาใจทําความดีอยู่ทุกการทุกเวลา ใจก็ได้รับผลดีในตอนนั้นนั้นอยู่ทุกการทุกเวลาถ้าทำชั่วก็ได้รับผลชั่วอันนั้นอยู่ทุกการทุกเวลาของใจใจใจใจเอฮิปัสติโกคนร่องเรียกให้เรามาดูได้ผู้ปฏิบัติก็ย่อมย่องเรียกมาดูได้ผู้ไม่ปฏิบัติจะร่งเรียกมาดูมันก็มาเห็นเพราะรองเรียกคนตาบอดมาดูจะเห็นอะไร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 เหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาจึงยอมให้บุคคลผู้เคารพรักเห็นเองให้มีอิสระเองให้เลื่มไสเองไม่ได้ข่มขี่ให้เห็นไม่ได้หลอกลวงให้เห็นส่วนลัทธิอื่นเอาอาวุธเป็นเครื่องร้อแต่พอไปติดเว็บติดแล้วแล้วก็เอามาต้องเชื้อใกินเราเป็นนกเป็นปลาก็จงเป็นนกเป็นปลาที่ชาลา อย่าไปติดเวทติดแล้วของนายพรานที่โปรยร่อไว้นายพรานเข้ามาโปรยร่อไว้เพราะเข้าไปหาเขาเขาก็หาอาว่าอุบายกินตับกินปอดของเราธรรมานาคนกินตับกันก็ต้องดูน้ำดีว่าจะขมเพียงไหน ทำไมจึงไม่มีผู้มีผู้เคารพรักพระพุทธศาสนาน้อยนักก็เพราะเหตุว่าพระพุทธศาสนาเป็นของสูงไม่เป็นฐานะของผู้มีบารมีต่ำจะมาเลื่อมใสแไห น, นบางท่านจึงสนเข็มเล็กๆไม่ได้ก็เพราะตาฟาง ฉันใดก็ดีผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพพุทธศาสนาก็ขอให้เข้าใจว่าท่านเหล่านั้นกำยังกำลังปฏิบัติอ่อนอยู่ไม่มีดวงตาพอจะเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็จำเป็นขี่มาการกล้วยอยู่นั่นเองกูไม่ไปมึงก็ไม่วิ่งเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมอยู่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ พุทธศาสนาเป็นโชคชะตาอันดีประเสริฐแล้วมาพบแก้วดวงประเรสริฐสีอย่าให้เป็นไก่แก่ไก่แจ้ก็พลอยมาเห็นพลอยแล้วก็เอาพลอยไม่เป็นแล้วก็ขันเปรย์เปย์ขึ้นว่าถ้าเจ้าของของเจ้ามาพบเจ้าเข้าเช่นนี้เขาคงจะเก็บเจ้าไปฝังไว้ในหัวเหรีตามหรืมนี้เจ้าไม่มีประโยชน์อะไร สู้แต่ข้าวโศกข้าวสารมาเล็กเดียวก็ไม่ได้ว่าแล้วก็คุยเคี่ยไปในแปลงอื่นๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของที่ดีย่อมมีประโยชน์แก่ผู้รู้จักใช้ถ้าไม่รู้จักใช้แล้วก็หาประโยชน์ไม่ได้ชั้นใดก็ดีเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วอย่าหนีคุยเขี่ยไปในแปลงอื่นๆ คือไปยินดีในศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาซะนั่นพระโสดาบันไม่เสียดายอยากถือศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากร่วงอบายามุขไม่เสียดายอยากร่วงเสียน่าไม่เสียดายอยากจะขอดเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับขอดเวรเมื่อโกรธมาแล้วก็ทวนกระแสดูว่า ถ้าหากว่าข้าพเจ้าได้ทำเผด็จเขามาแต่ในพอ ก, ก่อนแล้วก็ให้แล้วกันไปซักข้าพเจ้าจะไม่ตอบแทนอีกแต่ข้าพเจ้าโกรธอยู่กับไม่ผูกเวรถ้าหากว่าเขามาก่อใหม่ก็ให้แล้วไปซักพระโสดาวันย่อมพิจารณาตนเองอย่างนี้เหตุแค่นั้น เวีนภัยในใจพระโสดาวันจึงไม่มีเวียนภัยแบบหยาบเมื่อตายวันไหนก็มีคติเป็นสองไม่สวรรค์ก็มนุษย์เต็มภูมิมนุษย์เต็มภูมิเป็นคนที่ไม่บ้าใบาเสียจิตผิดมนุษย์ด้วยเป็นคนมีเป็นคนมีตระกูลสูงด้วยเป็นคนที่รวยด้ว ย, วยถ้าเกิดเป็นมนุษย์รวยในวัตถุนิยมในทางที่ชอบ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 แล้วเลือกได้ไหมเลึกได้ก็ดีจะขอถึงซึ่งพระพุทธพระพากับท่านพระอรหันต์สัมมาทัตพุทธเจ้าตลอดทุกๆ ท, ท่านที่เป็นสงสาวกของพระบรมศาสดาโดยใจความก็คือถึงพระพุทธธรรมประสองค์อยู่ที่ดวงใจเมื่อถึงพระพุทธธรรมประสองค์อยู่ที่ดวงใจแล้วพุทธธรรมสงก็กรมกลืนเป็นเชือกสามเกลียวอยู่ที่ดวงใจในปัจจุบันเหล่านี้เอง พุทโธแปลว่าผู้ระชั่วทำดีธรรมโมทรงไว้ถึงระชั่วทำดีสังโฆปฏิบัติระชัวทำดีต้นรงพุทโธธรทมโมสังโฆก็อยู่ในหัวใจเราในปัจจุบันนี้เองนั่นนัน่ท่านที่มานี่แล้วใครได้ะหนังสื อ, อแล้วยกมือขึ้นไ ด, ได้แล้วได้แล้ว ท่านททษยังไม่ได้โอ้เรื่องภาะวนาเรื่องภระวนาเป็นเรื่องร่วมบุญบ้าไงได้บ้า้บุญท่านบุญศีลบุญอันไดอันไหนไปร่วมอยู่บุญภาะวนาได้หวานถ้าพระวนาพุทโ ท, โทก็ให้เข้าใจว่าบุญทั้งหลายมาร่วมอยู่นีถ้าพระวนาท่าโม่ก็ดี ภาวนาัางโ ก, กดีหรือเอาทั้งพุโทโธทั้งโมทั้งโค ร, รวบกันแล้ววาจะอักษรนยอจซื้อพุโทโธพุโทโธเนี่แปลว่าอักษรนยออุ้ยจะหามาถ่าเย อ, อะเหรอห้ามเซรับเซนอนแงส่สภาพกันอ น, ออกนอนะซือขึ้น้วใบเลนอนถุ่มามตุ่มามตื่นเคยมาปัหากัดยียกัดกอ ด, กอดพระกับวยัยมาเป็นแนว นอนรับข้าภาวนาะผู้ใดรับข้าภาวนาะผู้นั้นนั่นเป็นผู้ใดนอนมาภาวนาะผู้นั้นนันมาเป็นคือควายบักเล่นี่ย น, นั่นวายพระพุทโทธรรมโมสังโฆสามท่ศนั้นจะต้องอยหงวยร่องกระดูกสีผูไก่เพื่อนไอ้ซา บ, บ้างไปยัง <laughs> ตื่นขึ้นมาคือกันกวายสามทิศพุทโทธรทมโมสังโฆแล้วก็จังไปเฮ็ดงาน ก็ดูกระเิาผูกับมันผูย่กับหันบางเพียงก่อนเขาสิญาติเอาอวนเจ้าจะนอนรับหลายลืนค้องเหลือหล่นเขาจักว่ายกคนโค้เล่ทั้งไตรลากาลเกศสินไท่พระญาติมัจุราชมันจะว่าเอาไปเฝ้าลูกปัจิบัติสินธรรม ข่าวปฏิวัติสินทรรมเธอตาอุาโลกมันจักเป็นเปโตเพตดเน่าใน่หมอนู้จักว่าอบายมุขมันสีปัญหายงียสุภาโลกมันจักเป็นเปโตเพิดเน่าแน่หม อ, อ, อคนว่าไม่วาสนาคือคนอยังไร คนลมลอยแหวงใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดียวว่าคนไม่มีวัสนาจักบอกคนพุชักของดีวันคนเหลืองใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนไม่วีวัสนาเป็นคนสางบา ร, รมีแก้กล้ามาแนวเข้าใจบอมันจะมาสางบุญตรอเอกผู้ที่บลอยแหวงใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญไม่เป็นโตัวจังไหนบาปไม่เป็นตจังไหนมันก็เป็นตจัจังผู้ว่ายุ่นแล้วมันจะเป็นตัวจังไรไอ้สั่ง จะเป็นตจ้าผู้พิเศษยูังเสียงเว่าพิเศษบาปบุญมามันเสียงเว่าเาซื้อเลยเสียงตอบเสียงเสียมขุดชิดินฟังเจ้าของ <laughs> <laughs> มหาเทระสันที่หนึ่งคือพระธรรมารสั้พุทธเจ้าทั้งหลาย สั้นที่สองคือพระปฏิเจตทั้งหลายสั้นที่สามคือพระอรหันตาชี้นาศพทั้งหลายสั้นที่สี่คือพระอน้าข้ามีทั้งหลายสั้นที่หคือพระสะกการามีทั้งหลายสั้นที่หกคือพระโสดาบันทั้งหลายเบื้องว่าพระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ทุกการทุกเวลา มูเฮ้าทั้งหลายในธรรมพิดเพลินด้ว ย, ยก 3, ายกรรมสามวิจีกรรมสีมโน 5, กรรมสามอันใดอันหนึง่งมาแต่พอกรกรก็ดีในกัจบันนี้ก่็ดีจะเป็นไปในขังนาก่็ดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเรานั้นจงท่องวัฏฏดให้แกเฮ้าอยู่ทุกเมืองพมีประมานผลชดถ่ายมูเฮ้าทั้งหลายจงประสบเจ้ความสามจเจวิญเจริญแน่บอกว่าพระพุทธศาสนาขอพระเจ้ามาสามพุทธเจ้ายิ่งยๆกันไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบอยู่ทุกเมืองพมีประมาณก็าขาดเทิน ได้ระวังมูห้องทั้งหลายทุกทนหนาทั้งตั้งไตโรกธาตุต่างฝ่ายต่างเดชทำผิดกันด้วยกายยกรรมสามมจีกรรมสีมโนกรรมสามเมื่อในภพกรศาสตรกรกว่าดีในปัจจุบันนี้กว่าดีมูห้องทั้งหลายทุกคนหนาทั้งตั้งไตโรกธาตุต่างฝ่ายต่างให้อโหสิกรรมแก่กันทุกทนหนายุทุกเมือบ่มีประมาณทั้งยืนเดินนั่งนอนรับตือนตามตัวเท่าขอโทพระเนปาลผลจากทุกในมาลตาท้องสายยุทุกเมือบ่มีประมาณกนความเทินเข้าทั้งหลายจงประสบแจ้งความสุข ควบแชรรื่ทุกๆด้านทุกๆมุมในทางที่ชอบยิ่งๆขึ้นไปจนถึงที่ทุกๆโดยสอบโยตุงเราพอมีประมาณก็าขาดืนอห้างตุ้งยี่หิพิเมฆ ม, มีธรรมังยัตสัปรปังกะตังกัมังกุสเรนพระหียาติโซมังโลกังพระพาเทธิอภุ ม, มตโตภจันทีมาอภิวาธนาสีนิสสนิจังวุฒาปจายโลจัตตาโลธรรมาวัฏฐันติายุวันโนสุ ข, ขังภะหลัง ใจในพระพุทธธรรมประสงค์คณะกิจหนึง่งดีกว่าสนใจในทรัพย์ไตโลกธาตุล้นนานล่านคณะจิจอารมณ์ของภูถือพระพุทธศาสนามันเป็นอารมณ์ไปส่วนดีเป็นส่วนมากถึงไม่ซัวมากซับปนก็รู้ตัวก็ว่าสามารถจะโคมไปมาก พราะมีพระพุทธศาสนายั่ได้หัวใจเป็นดิงอยู่ดิเป็นเครื่องเตือนใจอยู่พระพุทธศาสนาสอนเบื้องตน้นสอนให้ธรรมหาหากินในทางที่ชอบสอนเบื้องกลางสอนให้รีบเปล่งปฏิบัติสิ่งธรรมควบกันไปสอนเบื้องปลายเร็วเด้อเร็วเด้อเร็วเด้อ ว, ว่าสันเดี๋ยวจะตายก่อนได้ว่าสันเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลัง สอนบางฝ่าสอนแห่เรี้ยวดวนให้หัดภาวน้าไว้ยามใกล้จักตายมาก็าจักใดเอามาเกี่ยมตัวอันสั้นว่าปล่อยมาแล้วเอาหน้ามาให้กิ น, นเ้ยมาล่าอุจจระปัสวะให้แน่มาซอยผริกเร่นี่มันสำคัญไลยว่า